กลายเป็นอุปชาเลี้ยงลูกศิษย์แทนในทุกๆวันจะมีทั้งแขกผู้มีชื่อเสียงและเหล่าพุทธศาสนิ ก, กชนมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเป็นจำนวนมากพระองค์ทร ง, ทรงอนุ ญ, ญาตให้เข้าเฝ้าตั้งแต่เจนาฬกาเป็นต้นไปจนถึง9นาฬกานาทีจึงจะเสวยพระกระยาหารโดยเสวยมื้อเดียวมาตลอด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 ทรงอ่านหนังสือหรือทรงพระนิพนธ์ช่วงเวลา16นาิกาถึง18นาฬกาทรงเปิดพระตำหนักให้ญาติโยมได้เข้าเฝ้าอีกครั้งจากนั้นถ้ามีเวลาเหลือจะทรงค้นคว้าและทรงพระนิพนธ์งานหรือทรงเตรียมงานสำหรับวันต่อไปสมเด็จพระสังฆราชจะเข้าบันทมทุกวันในเวลา21นาฬกาโดยก่อนบันทมจะสวดมนต์เจริญภาวนาอีกครั้ง